ที่วัดเขาเต่าอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบขีรีขันธ์วันที่27ตุลาคม2559เรื่องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งโดยหลวงตาณรงศ์ขีนาลยโยมันพูดว่าอะไรมาวันท่านดูดูแลวพูดว่าอะไรเออหลุดแย่แล้วนั้งเรก็ปวดแบบนี้แหละไหนพูดดูแม่เน่ คนพูดแล้วมันไม่น่าลัพอเราเห็นคนพูดปุ๊บแต่คนพูดอ่ะมันเป็นคนโดนดูแต่คนเห็นคนพูดอ่ะมันไม่โดนดูด้วยเพราไอ้คนพูดอ่ะเป็นคนโดนดูเฮ้ยเราโดนดูเป็นไรมิเราเราจะแย่แล้วมั้เนี่ยแต่ไอ้คนที่ไปเห็นว่าเราพูดเนี่ยมันไม่ได้โดนดูด้วยตัวเนี้ยมันเคนมันเพราะมันไม่มีตัวตนมันได้แต่เห็นมันได้แต่เห็นได้แต่เห็นแต่มันไม่มีตัวตนมันได้แต่รู้หรือมันได้แต่เห็นมันเลยไม่ได้โดนดูด้วยแต่คนโดนดูคือคนปุงแต่งนั้นเองมันเลยหลุดพนจากการที่โดนดูโดนผัด ไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรผัดยังทำเป็นตำอย่างนั้นเนี่ยดีแล้วล่ะใช่รู้เงี้ยเห็นอย่างเงี้ยมันจะเต็เพราะว่าตอนหลังมาเหมือนกับว่าความที่สิ่งที่มันผ่านมามิไม่ไฟอย่างที่ใครเป็นสาธารณะแล้วเอานีิเนี่ยเอาทำเห็นทำเอาทำเป็นสาธารณะทำแล้วเปผู้รู้ผู้เห็นเอาผู้รู้ผู้เห็นเนี่ย อยู่กับรู้หรืออยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ผู้เห็นอะไรก็เห็นจิตนี่แน่เห็นจิตปัจจุบันน ะ, ะเห็นจิตปัจจุบันจะเป็นเงารู้จิตเพราะตอนแรกันเป็นปเห็นเหมือนเหมือนเงาของจิตแล้วก็ไปวิ่งตามมันแล้วบางช่วงก็เหมือนมันจะทําอะไรมันก็เสื่องเสื่อมคือมันช้าอืเพราะไปมันไปติดอยู่เงาไปติดอาการแต่รู้สึกช่วงที่เวลา เราอาบน้ําหรือแตงฟันเนี้ยมันมันจะเห็นไอ้ตัวที่เราบ่นนะชัดที่สุดนะตอนนั้นหรือตอนออกกําลังกายมันจะเห็นว่าเราคิดเราว่าเรากําลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรบ้างถ้าเราเคยเห็นมืแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันได้บ่อยตอนเราก็จะเห็นมันมากมากขึ้นในในหลายๆเอฟบดมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกเหมือนหามันไม่เจอเลยค่ะหนงตา มีสามสี่วันเนี้ยค่ะลองอธิษฐานให่แล้วลองทำดูแต่เปิดฟังธรรมะของลงตาเนี่ยจะเปิดทุกวันเพื่อที่ว่ามีความหวังว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอบางช่วงบันตอนที่จะทำให้เราเข้าใจนั่นตอนที่เจอตอนที่มันตอนที่เราอยู่คนเดียวแปรงฟันเน้าน้ำ ฝั่งหน้าขับน้านัน่งคายทีนที้จะเห็นตรงนี้ค่ะช่วงนังง้นหน้ามันจะเชื่อมช่วงที่ตอนเช้าเนี่ยค่ะวันต่อไปก็จะค่อยๆขยับเวลากา่านต่อไปก็เห็นมากขึ้นเรื่อยต่อไปมันก็ไปนู่นมาต่อไปมันก็พอเห็นบ่อยๆก็เห็นได้ทั้งวันเห็นทัน้งวันแล้วก็ทีนี้ก็ตับแต่ว่าไม่สติไม่ขาดอีเป็นมหาสติคือสติไม่ขาดในการเห็นเนี่ยนี่ไม่ขาดวัดขาดตอน ก็จะเป yup. <c bio> ็นมหาสติไปเป็นมหาปัญญาลึกลิบปานอยู่ที่การเห็นแต่ต้องเห็นใ้ถุกตัวก่อนอันดับแรกต้องเห็นใ้ถุกตัวก่อนเห็นแลรัตติไม่ขาดไม่ขาดรัตถารอนบางคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วทุกคนเห็นแต่บางทีไปเห็นเห็นจิตบางทีพลัดไปเห็นอาการของจิตเห็นเงาของจิตทาไม่เห็นจิตจะแท้มันเหมือนวิ่งตามเงาวิการเงา แต่ถ้าเราเห็นเห็นถูกตัวมันจะแทะใตคนที่บนคิดปิดพูดคนพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวในใจอคิดติดต่อนั้นคิดติดต่อนี่คิดลังเนสงสัยคิดเนิ่นคิดนี่เอ๊ะนี้ทำไมอย่างนี้เอ๊อย่างนี้ดีว่าอย่งนั้นอย่างนี้นี่แล้ก็บนตัวเองบ้างอะไรบ้างบนงุ้งงงงุงงุ้พูดอยู่คนเดียวเนี่ยไออันเน้นคุณเพิ่งเห็นว่าไม่กี่วันวันนี้เองค่ะหนุ่ตาไอตัวเนี้ยค่ะเพราะตะแรกหนูมันมันก็อย่างที่ผมตามบอกวิ่งตามวิ่งตามมันไม่ทันมันอสามวันเนี้ยอง อืมเนี่ยะพอเนแล้วต่อไปมันก็เจนได้มากมากขึ้นไปด้วยมากขึ้นแล้วก็พอเีนแล้วต่อไปอะไรได้ตัวนนนไปพัดไปขาดสติไปคิดเพออะไรเงี้ยมันก็จะครือขาดไปมันจะแวบเดียวเราหลุดันหรือว่ามันจะไปไล่ตามเราไปไล่ตามอาการไปจูเส้นกับอาการอกาเราก็จะหลรู้พันแล้ว๊เราก็ไม่เห็นเองอย่า้ตัวในเสมอตัวในในใน จิตในจิต ท, ทําในธรรมจิตในจิต ท, ทําในธรรมจิตประกอบตัวในเรื่องตัวในคือตัวปัจจุบันตัวในนั่คือตัวปัจจุบันเราจะเห็นพันไปเรื่อยจนกระทั่งการรู้เห็นมันต่อเนื่อยมันไม่ขาดละขาดตอนในการเห็นเพราะมันชัดตัวเห็นตัวชัดแล้วไม่ขาดละขาดตอนแล้วมันไปได้วยกันไหมระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรูรร้จิตจิตไในจิตทําในธรรม กายผู้รู้มันไปด้วยกันติดกันไปไอตัวที่บนเนี่ยมันคือผู้รู้ด้วยไหมคะก็คือผู้รู้เนี่ยแหละแล้วก็มันก็รู้ด้วยบมนด้วยรู้ด้วยบนด้วยก็คือมันจะไปคู่กัน <c oughs> ตอนตอนเมื่อก่อนพี่ <c oughs> ที่หลวงตาเคยบอกดูว่าถ้าอย่างเนี้ยเป็นวิชาพิถีก็คือเคยที่ที่ที่หลวงตาบอกว่าผิดเดิมเราอะ คือมันเป็นจิตเดิมแท้ๆจิตเดิมแท้ๆแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าวันที่เราตายถ้าสมมติเราสามารถทําจนสาเร็จมรรคผลนิพพานได้เนี่ยก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คือกลับคืนสู่จิตเดิมแท้ๆแล้วความที่เมื่อก่อ น, นเคยคิดถามตามสมัยที่หลวงไก่มั่านพิพาษาว่าอย่าถามว่าไก่เกิดก่อนไข่ แล้วหนูก็ชอบไปถามว่าแล้วทําไมไอ้จิตเดิมแท้แท้เนี้ยมันทําไมต้องมาเกิดด้วย <c oughs> แล้วหลงวงศาก็อย่าถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนีย่ยค่ะวิีสีสามสี่วันเนี่ยหนูเพิ่งจะไปเห็นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวบนเนี่ยซึ่งหนูเมื่อก่อนยังไม่เคยเห็นไอ้ตัวที่มันบนข้างในหรือเหมือนจะส่งข้อความแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเราเห็นเห็น เห็นข้างในที่เราคิดว่าเรากำลังยะส่งข้อความว่าอะไรเมื um ่อก่อนไม่เคยเห็นอย่างตาเราเหนอย่างนี้เราจะเห็นได้แนวริบวต่างๆมากขึ้นเท่านีอเองเหรอคะให้เห็นเท่านี้จิตนี้จิตเี้แจ่มแจ้งเป็นมากคนีนจิตนีเจิตแจ่มแจ้เป็นนิโรธ แล้วต่อไปไม่ว่าของัพธ์ที่ห้าผลลัพธเราทำจนชนะแล้วทำได้ต่อเรื่องไม่ขาดสายไม่ว่าทำใดจะเกิดขี่เนี่ย ก, ก็ให้เราแค่ฟักแต่ว่าเห็นมาใช่ๆใช่ตกลงนี่คือคำของพระเจ้าไตรยกระเถักแต่ว่ามันก็จะเป็นศึกผลุนผลิพาน<ช><ช> ก็เห็นตุกตัวต้องหาหาหาให้ถึงตัวเพราะที่ห า, ม, า<ด>มันเห็นจิตตัวดูจิตจะไม่เห็นจิตไล่แต่เ ง, งาไล่จับฟ้าเงาคือมันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาชอบพูดถว่ามันเพิ่มตาว่ามันดูดูอาการน้องจิตมันอาการน้องจิตเนี่ยเห็นหรืเอเงาของจิตเนี่ยมันเหมือนมันเหมืนมนอนรายการในโทรทัศน แต่ไอจิตเล่นจิตเองแจมแจ้งจิตเลนจิตเองแจมแจ้งเป็นมัดจิตเล่นจิตเอแจมแจ้งเป็นมัไอตัวนี้มันคือผู้ดูผู้รู้อาการผู้รู้อาการนี่ยที่มันรู้แล้วมันไปคิดติดต่อมันรู้อะไรก็คิดติต่อพอมันรู้เงารู้มายาแล้วตัวมันคิดต่อว่ายังไงแต่คนทำในไล่ดูแต่อาการไล่ดูแต่มายามันก็เลยรู้แต่เรื่องในโทรทัศน์แต่ไม่เห็นไอไอคนดูนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์มันไมได้ดูไอมันไม่ได้รู้ไอผู้ที่นั่งดูโทรทัศน์ว่าไอเนี้ยดูโทรทัศน์แล้วมันคิดตไง กำลังที่ดูโทรทัศน์ในขณะปัจจุบันคิดตองยังไงคิดตองคิดตอคิดบนคิดพูดพูดบนอยู่คนเดียวดูไปพูดอยู่คนเดียวแต่มันดูแต่สนใจดูใจเรื่องในโทรทัศน์ดูแต่อาการในโทรทัศน์แต่มันไม่เห็นในผู้ที่นั่งดูอยู่โทรทัศน์คูณนั่งดูโทรทัศน์นี่มันดูไปบ่นไปพูดไปคิดตองไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้องนั้นมันไม่เห็นตัวเองเลยเห็นแต่โทรทัศน์เรื่องราในโทรทัศน์เห็นแต่อาการไล่จับแต่ความเหาเนี้ก็เรียกโศมจิต่อนน้อมแล้วคนทั้งหลายก็ใจ เรอกไปนอกตัวเราคิดไปยาวๆแบบนู้นแบบนี้แต่การที่เราเห็นแต่อาตาเห็นแต่เงามายาเนี่ยมันเห็นแต่ธรรมอารมณ์ซึ่งเป็นอายะทานะสายนอกธรรมอารมณ์เป็นอายะนะสายนอกโดยไม่เห็นในตัวผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยที่มันป่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอยู่หน้าโทรทัศน์เนี่ยไม่ว่าเราจะด่าตัวละครอยู่แล้วแต่เราไม่เคยมื่อเราไม่เห็นนี่นะไม่ไม่เห็นในตัวผู้อยู่ดูผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นที่มันบ่นอยูเนี่ยอเนี่ยโศกเจ็บของเรา ถ้ามันดี๋ยวกให้ตัวพูดรู้พูดรู้พูดเห็นที่มันบ่นว่าอย่างไรอะสมัยก่อนที่หนูเจอหนตาหนูคิดแต่แค่ว่าที่ว่าหนูตัดพอเห็นปุ๊บก็คิดสิบคิดแล้วก็ดับมันไปดับมันไปได้ดับมันอะไรเงียมมมม้ยนั่นก็คือไม่ถูกอีกเออใช่ใช่แต่ตอนนี้คือจริงๆแล้วเมื่อว่าเราจะคิดบ่นพูดอะไรในใจคงเดียวเราจะต้องเห็นสิงนั้นทั้งหมดเพราะเราเร า, เร า, เร า, เราดับปัญหาไม่ได้เราดับปัญหาไม่ได้เพราะว่า มันเป็นจิตธรรมชาติปลายปรุงแตงแ่งระดับสงขารไม่ได้มันเป็นธรรมชาติสองธรรมชาติธรรมชาติปลายปรุงแตง่งไม่มีใครยึดถือธรรมชาติปลายปรุงแตง่งคิดว่าเหมือนเร า, าเรกำลังสาตายอย่างเงี้ยแล้วีนจิตเราก็บอกเขาได้ว่ า, วรราหรือเราเจ็บเหลือเกินเราสุดแก่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะบ่นอะไรยังไงเราก็ต้องเห็นสิ่งนั้นท้งหมเห็นเพื่อเราไม่ให้ไปเป็นมันไม่ไปเป็นตัวบ่นตรงพูดเราเห็นเพื่อไม่ให้เราไปเป็นตัวสังขารไอ้ตัวปรุงแต่ง เราไม่ให้เป็นตัวคนบดคนพูดเพราะเราหลุดค้นจากคนบ่คนพูดเราไม่ได้เป็นตัวคนบดคนพูดให้คนบดคนพูดตายแต่ผู้ผู้รู้ผู้เห็นคนบ่นคนพูดเนี่ยไม่ตายอันนี้เป็นอมตะมันเป็นท่าสุดท้ายเป็นท่าที่สุดเป็นสุดธท่าเป็นธรรมท่านิพพานท่าอาลัยา่าอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นสมุดชื่อเดียวมันไม่ตายมันไม่แตกกันดับแต่ไอ้ไอ้คนพูดคนบดนเน่ยไม่ว่ามันจะตายแล้วมันจะบ่นว่ายังไรก็ตามมันกูยังยิ่งก็ตาม มันจะเป็นตัวตัวดับตัวสุดท้ายมันเป็นตัวดับเป็นเป็นสังขารที่จากสุดท้ายที่เป็นตัวดับคือเป็นสังขาที่เฉียดที่สุดที่ตัวดับแต่มันดับไปก่อนนไหมลมใจร่างกายค่อยดับทีตหลับจิตมันดับก่อนจบตอนแรกอเข้าใจว่าจิตที่ คนถึงนิพพานเนี่ยคือเป็นจิตที่แตกหนับดับเหมือนกับแตกสลายไปเลยใช่มึงเออเอออรู้หรือไม่เออธาตุธาตุรู้เพียงแต่จะไม่กลับมาเกิดแล้วมันมันไม่เป็นตัวคงแต่งอ้รู้เนี่ยมันเป็นธาตุสุดท้ายธาตุเบสุดก็ร่างกายมีสี่ธาตุธาตุดินธาตุ้ธาตุดินที่เป็นของแข็งธาตุน้ำที่เป็นของเหลวธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุคือธาตว่า ก็เป็นสู่ธาตรู้จะเป็นความว่างจักรวาลแต่ไม่ีความรู้แต่ความว่างจักรวาลเนี่ยไม่มีความรู้แต่อันนี้คือเป็นเนื้อเดียวกับความว่างจักรวาลแต่มันมีความรู้มันอยู่ในความว่างความรู้ในี่ยคเป็นอันเดียวเลยเติมอาบเป็นอันเดียวกับความว่างจักรวาลแต่มันน่ยมีความรู้แต่ในความว่างจักรวาลไม่มีความรู้มันต่างกันแค่นี้มันเลยไม่เรียกว่าเป็นความว่างแต่มันเรียกว่าเป็นความรู้จิตเป็นความว่าง คุณสมบันิเป็นความว่างเหมือนกับความว่างเป็นความรู้ที่เหมือนกับความว่างแต่ถ้าบอกมันว่าอย่างเดียวมันก็คือเป็นควาเป็นเป็นความว่างเป็นอังกาศเลยแต่อากาศมันไม่มีความรู้อันนี้เป็นธาตุรู้ที่อื่นมันมีความว่างแต่ร่างกายมีสีธาตุแตกดินน้ำลมไฟแตกกับคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมกาตุไฟธาตุนี้มันแตกยังไงก็ตามมันแต่เป็นที่สุดของมันคือดินนี่มันแตกไงมันแตกเป็นที่สุดของดิน น้ำมาแตกไงาาก็ไปที่จุดของน้งําลมแตกไงก็ไปที่จุดของลมไฟแตกไงก็ไปที่จุดขอ ง, งไฟไอทารู้แตกที่จุดยังไงก็เป็นรู้ที่ว่างเปล่าจะไปทําลายรู้อีกไม่ได้เพราะว่าไปทําลายดีหนึ่งถึงที่จุดแล้วจะไปทําลายดีหนึ่งไม่ได้แล้วทาลายน้ําอีกก็ไม่ได้ทําลายลมก็ไม่ได้ทําลายไฟก็ไม่ได้ทําลายขาดรู้ให้แตกอีกก็ไม่ได้ที่มันหายไปก็เพราะว่าปุตตะบัตขอมันมันไม่ได้ว่าดับสูงนะ มัป็บามันดูมันเป็นความว่างอั่นเดียวแตว่าหาตัวมันไม่เจอแต่มันมีความรู้อยู่แตไม่ใหาเจออดีเป็นาที่เป็นที่ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายเรามันจุดทีุ่ดของธาตุที่สุดของดินที่จุดของน้ำที่จุดของลมที่จุดของไฟที่จุดของธาตรู้ถุงความว่าไม่มีอะไรทำลายไมได้เลยยนี้เกิดว่าเราเห็นเราเห็นเห็นเห็นในตัวที่พูดฝของเราอยู่ตลอดเวลา อันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมติเราเห็นมันแาบจริงๆแล้วเนี่ยสังขารแค่จะไม่ไม่มีความหมายต่อไปก็เพราะว่าไอ้ตัวที่จะไปยึดอะไรในโลกนี้ทั้งหมดให้ให้รักให้ชังให้เศร้าเสียใจมันไปจากตัวสังขารทั้งหมดแต่อีตัวท่านรู้เนี่ยมันมันไม่สังขารดีอะไรเพราะว่ามันเป็นคบาว่าตัวตนมันไม่มีมันปงแต่งไม่ได้มันเป็นวิสังขาร การรู oh, ้เป็นวีส hmm. well, like like, mm ังขารหือเป็นอสังขารต่างที่ปรุงแต่งไม่ได้แล้วมันมีใครปรุงแต่ะแล้วถ้าเราขับรถอยู่ทางหลวงกางรถอยู่บนมันก็รู้รู้ทุกอย่างรู้แบบร้อเปอรเซ็นทุกอย่างตรงตาหูจมูกจิตใจใจแต่ทุกอย่างมันไม่มีความหมายต่อใจไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับรู้ไปอยู่กับไปแทนคือรู้เนี่ยมันเปรู้รู้ทั้งหมดรู้ตัวชั่วท้องไม่ใช่ว่าไปรู้เราไปรู้ตัวรู้เราไม่ใช่า เข้าใจผิดคือไปรู้เราขับรถรถอะไรไปรู้ตัวรู้อยู่ข้างในไม่ใช่ไอรู้เนี่ยมันรู้เขาแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาไอขันหน้าเอาตัวเราเนี่ยซึ่งขันหน้าแต่งเนี่ยพยายามไปรู้ตัวรู้ไว้เดี๋ยวจะกลับด้านถ้าย่างไงเรขับรถไปรู้เรื่องเลยไอการที่เราเนี่ยผแต่งพยายามไปรู้ตัวรู้ภายในใจไว้เนี่ยไอเนี่ยมันผิดมันกลับด้านมันเอาขันหน้าเอาตัวผูงแต่งพยายามไปรู้ไว้ไอ่รู้เนี่ยมันคือมันรู้เขาหมดเลยมันรู้ทั้งหมดมันเป็ท่านรู้มันเป็นรู้ทั้งหมด แต่มันไม่ได้วบบย้อนกลับมาดูตัวมันไม่มีใครมาย้อนดูตัวมันได้มันได้แต่รู้เขาแต่บางรู้แล้วเนี่ยไม่ว่าเอาหมดที่มันรู้เขาเนี่ยเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเสียงสัมผัสหรืออะไรก็ตามไม่มีความหมายต่อรู้เพราะว่ารู้มันไม่คุงแต่งแต่ที่เราถูกดูเข้าไปดูเราเอาตัวขันห้าเนี่ยคุงแต่งไปรู้ไปรู้พยายามรู้ชารู้ข้างในรู้ที่รู้ข้างใน ที่เราบอกว่าดูดได้ก็เพราะว่าเราเอาตบขันให้ไปรู้อาการไปไล่จับเงามันก็เลยโดนเงาเนี่ยหรืออาการเนี่ยดูอเข้าไปได้มันดูดอะไรก็เพราะว่ามันดูดได้ก็เพราะมันเป็นขันหน้ามันเลยโดนโดนดูดได้แต่รู้เนี่ยมันรู้ดู้นอกมันรู้เข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนไฟฉายอะไปฉายเนี่ยมันก็จะฉายเห็นโน้เห็นนี่ยหมือนยไปฉายเนี่ยแต่ไปฉายเนี่ยมันไม่เห<ม>็นก <into> ็บอกไปฉาย ไอ้เนี่ยไอ้ไปฉายเนี่ยม <Z> er ันอันนี้ไอ้ไอ้ก็บอกว่าฉายเหมือนกันรู้แล้วก็มันก็ฉายแสงไปฉายแสงไปรู้รู้รู้หมดเลยรู้รู้ลดเสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ตาผัดรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันรู้แต่มันเนี่ยไม่รู้ตัวกระบอกไปฉายแต่คนทั้งหลายก็ใจผิดคือไปเอาไอ้ตัวปรุงแต่งภายนอกไปฉายเนี่ยบมาพยายามรู้ตัวกระบอกไปฉายมาหาตัวกระบอกไปฉาย แต่ไปฉายเนี่ยมันก็ได้ฉายแต่ไปฉายไป ร, ร, ร, รู้นู่นรู้นี่รู้นั่นรู้นี่แต่มันฉายไปอะแต่ไปฉายแต่มันฉายไปใหเห็นนู่นเห็นหนีน่แต่มันเนี่ยไม่ไม่มีอะไรที่มีความมักมีพาดมีความหมายต่อไปฉายเลยอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราเราเห็นเห็นเห็นพระเอกตัวจริงอย่างนี้ค่ะตาความเศร้าความอะไรมันก็จะทําให้เราไม่มีไม่มีมันจะเสื่อมเลยมันไม่มันจะไม่ตก แ, แต่งนั้นละมันจะมันจะเป็นเพาะไอ้ตรงที่ตกแต่ง ความเศร้าความเสียใจดีใจมันจะเป็นหตุวตัวผู้แต่งเพรที่ผ่านมาเราเราดูดีตัวเออเราเอาตัวสังขารเอาตัวสังขารตัวขานหน้าผู้แต่งไปดูไปรู้มันก็เลยตัวเนี้ยมันก็เลยตัวผู้ดูผู้รู้มันเลยมีการเศร้าได้เราทําผิดเนี่ยคือมันไม่ไม่ทำแบบไปฉายมันฉายมันฉายไปรู้ไปรู้เขาแต่มันกลับเราพยายามรู้ตัวกระบอกไปฉายค่ะมันย้อนกลับมา จริงๆมันทำไม่ได้เขาบอกไปจไปฉายของแสงไฟฉายเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเห็นตัวก็บอกไปฉายมันไม่ได้มันได้แต่แสงจากไปฉายมันก็จะไปเห็นอย่างอแล้วทุกอย่างไม่มีปวาหมายต่อมันไปฉายไฟฉายคนไม่เห็นอย่างอนจะไม่มีปวาหมายต่อมันมันมีเอ็นียวปรากฏตัแต่แต่ว่ามันมันยากที่เราจะต่อเรื่องมันได้ครเนอหันยากแล้วก็สำคัญคือและที่แหนคือ ก็เห็นก่อนหลแรกเห็นไม่ก่อนเห็นถูกตัวก่อนอันที่สองก็คือตอนเนี้ความตั้งเพื่อจะฝึกก็เห็นแล้วก็เจนได้บ่อยๆแล้วก็ฝึกจับจุดไม้ได้เออเต้องต้องไม่ปิดตัวก่อนแล้วก็ฝึกอันนี้ก็ฝึกละฝึกให้ก่อนเนี้ยอมันก็จะไม่ยากละถ้าถ้าถ้าเห็นถุกตัวเริ่มเห็นถูกตัวก็เริ่มมีกำลังใจนะครับนี่น่าเชื่อนี่นะหลักการ คือหนไม่มไมูไม่ทราบเลยว่าไอการเห็นสิ่งที่เราบ่นอันนั้นน่ะคืออันนี้คือพระเอกอือแต่คนทั้งหลายก็กเข้าใจผิดพยายามไปดูดีดนินน ด, นนดแทนที่เดี๋ยกมันเนี่ยมีค่าที่ถูกแล้วจะเป็นบุญหินว่ า, า, ว เ, วาเหตุตัวเราบ่นพูดบวนอะไรกลับไปดุดหิตมันโห ม, มมันดูดหินมันไอตัวเนี้ยถ้าเราไม่เห็นมันเนี่ยเราไม่เห็นมันหรือเราเป็่นหินมันรำคาญมันทำให้เราเป็นโราประสาท พราะว่าเราเห็นตัวเรามันวววววววววอยู่ใน่ะคมันก็เลยเหมือนกับโลกศาสตร์คล้ายกันเลยคล้ายกับถึงโคโยลกศาสตร์โคโยลไวทพอแต่จริงแล้วไม่ใช่ถ้าเราเห็นมันเอถ้าเราเห็นมันเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้มันเป็นผู้รู้ผู้เห็นจัตเตารู้จัตโตเห็นมันเหมัอนทะเลเราไปเป็นมันซะไปเป็นมันเราก็เลยประสมโลมกับมันเป็นรวมกับมันไปเป็นมันเป็นรวมกับมันเราก็เลยประสมโลมเลยเราเป็นประสมโลม ทำให้เราเนี่ยไปรักษาไปตามมันจริงเราก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามมันนเนี้ยจริงแล้วแท้ที่จริงแล้วเราจะต้องเห็นมันตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอมันจะขึ้นมันจะลงยังไงก็เห็นมันนี่แหละแต่ถ้าอยาจะกระโดดลงไปเหมือนแบบว่าอาการเหล่านั้นเหมือนน้าทะเลออาการแบบนั้นเหมือนน้าทะเลขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึลงลงไม่เห็นมันอยู่ตลอดแต่มันจะขึ้นยังไงจะลงยังไงก็ไม่กระโดดลงไปกระโดดลงไปก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงตามมันถ้าเราไม่กระโดดลงไปมันก็ไม่ขึ้นลงตามมัน อาจารย์ตาเห็นตามีแนวผูเจ้าตาัดโทรศับแต่ว่ า, ตาแต่ว่าสต่วัารู้เพรียบทีนี้ก็คือจะต้องจุดมันยังสมองขอือเพราะตอนแรกเอเวลาเราหามันไม่เจอจริงๆเราคิดดวงตามันจะมันก็จะชอบเข้าหลบเข้าไปอีกและอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราไม่รู้ว่าเราเราจับผิดตัวนึง ขับรถมาตั้งใจมาทำานูตาเนี่ยแหละ <st arts> ว่าตาหลังมันป่วยป่วยแบบเป็นพูนแพ้หนักมากของตามนอยู่ที่เนี่ยมัเจัะตาผมฟังตามาตั้งนานแต่ว่าไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วจะต้องเห็นไอ้สิ่งที่มันห่วนหน่งโหน่นอยู่ยยยยในใจที่เราคุยกับตัวเองทุกๆวัน มันจะไม่มีดับเลยหรอกพักของตาอ้จิที่มันพูดพูดพูดพูดขามันอยู่ในใจเนี่ยจนกว่าจะบรรลุนิพพานจนกวาบรรลุนิพพานนะกต็ต้องต้องต้องขัดขันหน้าดับด้วยนะถ้าขันหน้าแล้ไม่ดับในขันหน้ายังอยู่ยังบนอยู่เสใจต้องบรรลุนิพพานแล้วขันหน้าดับด้วยรอบสุดท้ายอ่ะเป็นอนุปาริเตสสันิพพานถ้าเป็นสัุปาริเตสนิพพานคือแค่คนทุกข์ที่ใจอย่างเดียวในตัวบนไม่ยังบนอยู่ ก็ขันห้างมนอยู่จนถึงอปปัสสนิพานนี่ไอขันห้ามันดับเลยเดียวปริทิพานนี่ยดับเลยขันดับเยแต่ปริทิพานันอยากกจกับพระเจ้าอ่านั high ้งหลอิเล่นนิพานนิพานนิพานนี่คือพ่านแล้วที่กายงเจ้านก็รอกพอตาลิุตนิพานแล้วโมกขันนิพานแล้วนิพานเนี่ยคือคืออันนี้คือตายตายด้วยแล้วภูมิรุอรหันแล้วตายด้วยอฉะนั้นน่คือหมดหมดละไเป็นรู้อย่างเดียวที่ไม่หมด นะคถ้ายัไม่รู้นิพพานจะเกิดอีกก็บ่นอีกเกิดเป็นตัวอะไรก็บนมันจะเกิดเป็นตัวอะไรก็บ่นเรื่อยๆแต่ไม่เห็นอีกถ้าไม่เห็นอีกก็เกิดอีกก็บนอีกถ้าไม่เห็นมันอีกก็ไม่เป็นผู้เห็นก็เป็นผู้บ่นเลยไปตั้งแล่ไม่เป็นผู้เห็นก็เป็นผู้บ่นเลยไปหรือว่าเป็นผู้บ้าเลยไปคือไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้บ่นก็ต้องเป็นผู้บ้าบ้าบ่นไปบ้าพูดบ้าบ่บ้าคิดบ้านึกบ้านมีอารมณ์แล้ก็บ้ามันเป็นเรื่อยแต่เมื่อไหร่เป็นผู้เห็นก็เออไม่เป็นบ้าไปล้ เราบางทีเป็นเห็นตัวเองพูดเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าเหมือนเราเป็นคนบ้าอืมคือถ้าถ้าคนไม่เห็นเลยก็คือมันก็เป็นคนที่น่าเกียดเลยคือเอาแต่พูดว่าคนนั้ว่าคนนี้บน่นคนนั้นบ่นคนนี้น ค, นนคนสารพัดนะบน่นหมูหมาตาไก่นกหนูดินฟ้าอากาศบ่นไปถั่วบน่นคนนั้นบ่นคนนี้บ่นงานบ่นการอะไรกวนตัวบ่นอันนี้คือคนไม่เห็นเลยแต่เราเห็นมัน เราก็จะกลายเป็นคนที่บ่นลอยเออพอพอพอเราเห็นมันก็ okay. นจะไปตบกันข้ามทีมันทีพวกที่เห็นมันก็เข้าก็ไม่เข้าใจก็เป็นงงจิดมันไปโมโหมันแล้วไล่ดับมันดับไม่ได้ก็โมโหหนักขึ้นอีกหรือเป็นอาการหนักขึ้นไปอีกเครียดไปเก็บกดแต่จริงถ้าเราเห็นมันอย่างแท้จริงอ่ะจริงๆแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เราอาจจะไม่ไม่ชี้บ่นเลยก็ได้เ๋ออะนั่นใช่เดี๋มันก็คือว่าเราเข้าใจแล้วอ่ะค่ะเข้าใจว่า ถ้าเราไม่เห็นมันเราจะต้องหลงไปกับมันติดไปกับมันเราก็ต้องเป็นคนเป็นคนขี้บนจริงๆไปบนคนนั้นคนนี้กับถ้าเราเนี่ยเห็นมาแล้วเรากลับไปหบ่นหิดมันเราก็เลยไปมไปบ่นหิบลำคาบมันเราก็เลยเลครียดปวดหัวจริงๆแต่ถ้าเราเนี่ยไม่บุนหิดมันไม่ลำคาบมันแล้วเราก็ไม่ไม่หลงไปกับมันมันก็แค่สับตารู้ตามธรรมชาติดังนั้นก็เป็นกลางรับรู้ได้ใจเป็นกลางคุณมันจะพ้นจากทุกต้องปวงอุบาจารย์นะรับรู้ได้ใจเป็นกลางคุณมันจะพ้นจากทุกต้องปวง เราพูดในใจเป็นการคือไม่ไม่หลงจิตไปกับมันไม่เห็นมันแล้วก็หลงจิตไปกับมันด้วยไอ้คนบ่นพูดบ่นพอหลงจิตไปกับมันก็บ่นทั่วพูดทั่วมีอารมณ์ไปทั่วหมดเนี่ยคนนั้นคนนี้คนนั้นองนี้อดีตอนาคตไปทั่วเลยพอไปเห็นต้องหยิบมันมาบอกมันแต่มันไม่หยุดคิดสักทีทําไมไม่หยุดคิดสักทีไงจะให้มันหยุดคิดใจมันจิตดีๆแต่จิตมันไม่ดีสักทีจะให้แต่จิตดีๆเขบอกว่าจิตดีไม่ดีก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนคา มันไปหยุดคิดได้งไงมันคิดวนพูดบนอยู่ไหนขันห้ามันจะไม่ไม่เชื่อมัจะปฏิบัติก็่จะหยุดคิดหยุดคิดหยุดคิดอยู่ท่านไหนที่เขาไปอ่านรังปูดูลองแปลผิดที่บอกว่าหยุดคิดที่จะพบความจริงแต่กลับมาใส่คิดก็คือหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยพอเป็นผู้รู้ซะไม่ได้ไปเป็นผู้คิดไม่ได้เห็นความจริง ที่ที่แต่คนเวลคุยคุยกับหลวงตาดถามเนี่ยเพราะสุด ท, ท้ายแล้วจริงก็คือาา ห, า, ห า, า, าตัวจริงไม่เจอตอนแ้กก็เลยวิ่งวิ่งไปทั่วโลกค่ะวิ่งว่อนไปทั่วโลกค้นหาตัวจริงไม่เจอไปค้ำพบค้ำชาติหลายพบหลายชาติแล้วผมหาตัวจริงไม่เจอจนใหญ่นี่กิ๊กเบอกว่าผู้ที่ฝึกดูจิตแต่ไม่เห็นจิต คนใหญ่ไปเลยดูจิตจะไม่เห็นจิตเห็แต่ครับเห็นแต่เงาของจิตมาหยาเห็นแต่มาหยาเล่นกับมายาดคนใหญ่จะเอาจิตดีจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป <opportunities> ็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้คนจิตเป็นมีอาการไม่สุกใจก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นคนเป็นไงก็ไม่อยากให้เป็นอย่างั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มั่วไปหมดมันจะไปเอาแต่จิตดี ต่อให้เราฝึกจนชืนอมีช่ำนานแล้วมันก็จะต้องมีเชื่อมีแล้วไม่ดีเสมอไปไอ้รู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ดีรู้กับรู้ที่ไม่ดีไงแต่รู้มันไม่ไม่ได้ดีไม่ดีแต่มันรู้ว่าจิตดีแล้วรู้ว่าจิตไม่ดีแล้วก็สุขมันก็รู้เนี่ยเป็นสุขทุกมันก็รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไอ้รู้เนี่ยมันไม่ถุกไปทุกข์ด้วยดีใจแต่รู้ดีใจเสียใจมันรู้เสียใจอ แต่หลังมันไม่ได้จิตไปกับอารมณ์ใดๆแต่ก็ยังมีฟองใสมีซ่อนหมอบมีโุ่นมีนี่แต่พอเป็นตัวมันแล้วเนี่ยพอเจอตัวมันจริงๆแล้วมันไม่ฟองไสมันไม่ศ่อนหมอบไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าในรู้ไม่มีเวทนามันจิตไม่มีขึ้นๆงๆแต่อาการเนี่ยของร่างกายไม่สบายกายไม่สบายตัวก็จิตใจมันก็ไม่สบายไปเลยมันไม่โล่ไปโล่งเรื่องอะไรก็เรียกว่ากู้เวทนาแต่ไม่ได้เป็นความทุกข์จริงๆคืออย่างไม่สบายคุณท่าน ก็จะมีอาการพันไม่ท่านตัวไม่สบายง้องแหงง้งองแห ง, งเป็นแต่ไม่ใจไม่ได้สุดถ้าเราเห็นแบบนี้อยู่จริงแล้วแล้วเราเราสุดใจมันหมากตม้เนี่นะเราก็แค่ไม่กลัวตายในสิ่ดวงตา ม, มันก็พร้อมสุดกับคืนไปกับคืนไปสู่รู้เป็นรู้รู้แท้ รู้เดินแทรกวิจิตเตอร์เดินแทรของเราไอ้อย่างอื่นเป็นของฟออาการของร่างกายสังขารแล้วก็ความรกทจิตอารม์ที่เป็นนามธนรเป็นปของฟอมเราไม่หลงได้จับของฟอมนะกับคืนสู่ของแทรคือเป็นจิตเดินแทกี่วิจาณทั้เดินแทของเราถึงเป็นวมว่างกับคือนอยู่กับคืนสู่รู้รู้ที่เป็นควาว่าเป็นรู้ไม่ได้ว่าหายตัวไปไม่ได้ว่าไม่ว่าหายหายศูนยไม่ใช่หายศูยแต่ ว, ว่าหายตัวไปแต่ไม่ได้หายศูนย์ มนุกมัลุกลองผลเนี่ยหายตัวได้คุอเข้าใจสิ่งที่หลวงตาสอนกับจริงๆวันนี้แหละอยู่คิดว่าแบบมันจะต้องตอนแรกก็เหมือนกับเราต้องเข้าใจว่ารู้รู้ทั้งหมดรู้การรู้อะไรรู้รู้ไปด้วยหมดที่ไหนได้ก็คือแค่ไนสิ่งที่เราคุยอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่เราจะต้องเห็นมัน เพรนก็ตั้งใจว่าวันนี้นอยากจะรู้อันนี้ว่าไอสิ่งที่หนูเห็นสามสี่วันเนี้ยมันคือใช่ ช, ชที่หนูเห็นไหมตอนเช้าเช้ารู้สุดตลอดเวลาตาหนูยกขึ้ตนกกาตาดีกว่าเพราะว่าไอตุ่ต้องไกลไหมเนี่ยครับรจะเี่ไปตรงนี้ยี่สิบนทีอ๋อยี่สิบนาทีถึงที่พระหน่นนะคะ ไม่อันตรายไหมไม่ค่ะุณพาคุณครองเนะเดินทางในปวดไปเนี่ ย, ววยหลังจากที่คราวที่แล้วหลวงตาบอกว่าเหมือนลงรักษาตัวเรางค่ะอยาว่าเอาตัวเราไม่มาดูแ น, นตัวเราสยกนี้อะไรค่ะ เออเหมือนเอาตัวเราไปไปรู้อย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้ประกลับมารู้ตัวเรามาหลงรักษาเองหลังจากนั้นก็ค่อยๆมาดูเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วมันก็เหมือนแล้วประกอบกับว่าเจอเรื่องที่ร้านแล้วก็อยู่ดีๆก็กลับไปเจอแฟนเก่ามาแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆหลายอย่างประดังประเด แล้วก็อยู่ดีๆก็ติดตกไปอยู่ช่วงนึงเนาะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาดีขึ้นแต่พอสังเกตตัวเองว่าตอนที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเราไม่ได้มันมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่ได้ต้องไปพยายามทําอะไรกับอะไรเนี่ยเหมือนเราก็เริ่มเหมือนมันก็เริ่มที่จะ เข้าใจมากขึ้นที่เดวตาบอกว่าหลงเอาเราไปเป็นสังขารคือทุกการขยับนิดนึงที่ที่จิตนึงนั่นคือหลงเอาเราไปเป็นสังขารมันเหมือนมันจะมีการสังเกตที่ที่ค่อนข้างเข้ามาละเอียดขึ้นในช่วงนี้เนะคะคือกูก็ไม่แน่ใจว่ามันยังมีจุดไหนอย่างไรติดขัดไหมในตัวตัวที่ ที่เราังไม่เห็นจะไม่เห็นอีกตัวนึงก็คื อ, อเวลาเราเห็นว่าพอเราหลงกับตัวเราก็เป็นสังขารพอตัวเราจะเป็นสังขาร น, นี้เองติดหนึ่งเราก็เห็นนะเราหลงกับตัวเราก็เป็นสังขารเองติดนึงเราก็เห็นอันนี้ในตอนที่เราสงสัยอยู่เนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นสังขารทำไมสังขารอันนี้ก็เป็นสังขารเราไม่เห็น แสดงว่าม mm ัน hmm. มีไอ any ้ขณะที่เห็นมันก็เหมือนคลายว่าคลาดที่จะคือมันคล้ายกับยึดสิ่งนั้นไปแล้วเราก็ไม่ได้เห็นนี้เข้ามาอีกอย่างนั้นนะคะหลวงตาก็ที่เราเราก็ถลันไปแล้วเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกโตขึ้นมาที่เราก็ถลันได้เป็นสังขารแล้วเราก็ที่ตอนยังไม่ถลันพอไม่ถลันแล้วเนี่ยไม่ถลันเป็นสังขารเราก็จะงมีความสงสัยอีก ยิ่งามสงสัยเราเราก็ได้เห็นว่าความสงสัยมันเป็นตังขานเราก็สงสัยรู้จริงกันเพราะในใ น, น, น, น, นตัวที่เราติดกรองตังเลยสงสัวยว่ามันเป็นตังขันไม่เป็นตังขันเราหาวิจีต่อไปเราแสนที่จะหยุดเมื่อเป็นตังขานแล้วแสนที่หยุดมหยุดตรง น, นั้นหยุดรู้อยู่ตรงนั้นแต่เรากลับ พอเราไม่ไม่เป็นตั้งขานเรื่องังขันเราก็ต้องไปต่อว่ามันเป็นตั้งขานหรือไม่ตังขันเนี่ยเราหลงไปเป็นตั้งขันอะไรหรือเปล่าเนี่ยอที่ยังติดอยู่เปล่าบาทีเราคิดว่าเรายังมีอะไรที่ติดอยู่เปล่าเนี่ยคือเราหลงไปปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วแสดงว่าในใจเราลึกๆมีตัวเราที่ที่เราจะหาวุธทางให้แก่ตัวเราแล้วเราไม่รู้ตัวทันมันคือเราจะมีการหาคุณทางให้แก่ตัวเราอันนั้นมันเป็นอวิชชาคือมีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราเราหาอะไรให้ตัวเราเนี่ย แสดงว่ามันมันเหมือนตัวนี้มันเป็นลากที่ที่ลึกที่สุดที่อยู่ข้างในที่มันถือออกไปเป็นพฤติกรรมอย่างหนอคือไอ้ที่เราไปรู้เปเห็นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเพียงรายของสิ่งนี้ใช่มทางร่างใ่แต่นี่เราเรารบร้อนมันจะกระทั่งมันเหมือนต้นไทอ่ะ เป็นไฟิดรอนกิ่งก้านสาขาต้นไฟต้นใสต้นโพที่มันกิ่งก้านสาขามันมาแตกง่ายมันมีไซออกมาเงี้ยริดรอนไปเรื่อยๆจนมถึงโคนมันโคนมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปในไหนเจ้กระทั้งมันตึกตองละเอียดที่สุดยจงไหนก็ตามมันก็จะเป็นหลงไปเป็นสังขารหมดเจนถ้ามันขยับตัวได้มีกิริยาการได้ขยับตัวได้มันหลงเป็นสังขารแต่ตอนนี้พอละเอียดละเอียดแล้วมันก็มันไม่เป็นสังขารนก็ลงอีกว่าเฮ้ยมันสังขารหรือมัสังขาร คือเราจะอาวิธทางให้ตัวเรารู้เลยรแบบเราจะทําริดลมมันตัดให้ขาดทีเดียวเพื่อไม่ให้มันเป็นสังขารแต่ความจริงการที่เราจะจะท่มนลมท่าลมมันเพื่อให้ตัวเราจะสิ้นสังขารเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่สุดละเราก็าพากไปเลยแล้วก็กลายเป็นสังขารต้งแท่งเพื่อตัวเราต้งแท่งเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่บางทีมันคล้ายๆจับจับหลางเพียงไม่ถูกนี้ยนะคะมันก็จะค่อนข้างอันตรนลมมากเลย แต่พออย่างที่ช่วงนี้ที่มันพอจะจับหลักถูกเนี่ยที่หลวงตาบอกเนี่ยมันเหมือนสิ่งหนึ่งที่พอมันมันจะหลงมากมันเริ่มมีความรู้สึกเข้ามาอย่างที่หลวงตาบอกว่าถ้ารู้จริงๆเนี่ยมันคือรู้ตามธรรมชองันเพราะนั้นทุกอย่างที่ที่ทมาแต่นิดเดียวอ่ะที่รับถูกรับรู้ได้ไหมแต่นิดเดียวไม่ใช่ทั้งหมดมันเหมือนสิ่งเหนี้มันค่อยๆเตื อ, อนตัวเองเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขนตรงนี้เนี่ยมัน ถ้าโยนิโสแบบนี้ประกบคู่กันไปมั น, น, นช่วยได้ <c oughs> ระวางจิตใจนิสิตบุตรอย่าเป็นเรารู้อีก <c oughs> เรารู้อีกเรารู้เรารู้ <c oughs> แต่รู้จะไม่มีความรู้สึกว่ามีเรารู้ถ้ารู้แล้วมีความรู้สึกเรารู้รู้ปุ๊บแล้วเปพราะไอ้ความรู้สึกว่ามีเรารู้เป็นตัวภูมแต่รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ แต่พอรู้แล้วก็มีความรู้สึกผมว่าเราเป็นคนรู้อันนี้เป็นหลักานก็รู้ตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่ยึดสิ่งนี้เพราะมันเหมือนสิ่งนี้มันยังไงมันก็เกิดเป็นธรรมชาติในะคะของๆแล้วเหมือนหรือว่าสิ่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีอไอ้ที่ว่ามีเราแบบพอรู้แล้ ว, แ ล, วแล้วมีเราเนะะี่ยค่ะมันต้องรู้ทันตัวนี้อีกนะคะแล้วไม่ยึดตัวนี้ใช่ใชถูกต้องตอนที่มันจะ จะดับสังขาขโมยเนี่ยขณะจิตนั้นมันไม่ได้สนใจว่ามันจะไปไปรู้อะไรคือมันได้รู้อยู่นั่นแหะแต่ตัวมันก็ไปคิดว่าตัวมันเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้อะไรคือมันตอนรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้ว่ามีกลัวเราจะไปรู้อะไรมันใช่กับมันรู้อยู่นั่แต่ไม่รู้ว่ามันจะไปรู้อะไรแล้วมันก็ไม่คิดมันก็ไม่ได้ปรุงว่าใครเป็นคนรู้แล้วมันก็ไม่คิดว่าตัวเรานี่จะไปรู้อะไรแล้วมันก็ไม่คิดปรงว่า เรารู้แล้วเราจะไม่ได้อะไรหรือใครใครจะได้อะไรจากการรู้เหมืนก็รู้อยู่อย่างงั้นน่ะแล้วมันก็มือนกับมารู้เฉยอยู่งนั้นน่ยมันเฉยอยู่ในรู้อย่างงั้นน่ยมันไม่ได้ไปคิดจะไปรู้อะไรแต่มันเฉยมารู้มันเฉยรู้อยู่อย่างงั้นน่ยหรือมันรู้เฉยอยู่อย่างงั้นน่ยแค่มันมันรู้อยู่แต่มันไม่คิดมันจะไปรู้อะไรมันไม่ได้โฟกัว่าใครเป็นคนรู้แล้วไม่คิดว่าจะพยายามไปรู้อะไรแล้วไม่คิดว่าจะรู้เพื่อให้ให้เป็นอะไร คือตอนนั้นมันมันไม่มีแตกสาขาออกไปแนละ้วมันเหลือแต่รู้เออแตกสาขาออกไปเป็นกิงก้ารสาขาที่จะต้องวิดรอนไม่มีเหลือแต่รูแล้วตอนนั้นเองมันก็จะโลกธาตุมันก็จะตั้งหักโลกธาตุตั้งภายในตั้งภายนอกอัน้นมันม้วนเดียวจบแต่ในการที่เดินทางก็ตอนนี้ก็ยั ง, ยงก็ต้องรีดรอนอย่างเงี้ยยังอยู่ในทางเลยนะ ก็อย่อ ง, องๆๆ็อนมัจะลเอียดขึ้นะเอียดขึ้นะเอียดขึ้นเียขึ้นเีย ข, ขึ้นแต่เราต้องไม่ถอดความรู้เลยต้องไม่ถอดความรู้แม้แต่เซียเ่ยวนทีเดียวเราเราก็จะรู้จิรตรู้เห็นหนว่าสูงสูงที่ลงมามเป็นสังขารลงมางแ ต, แต่งลงมเป็นสังขารลงมาเป็แต่งเราก็จะรู้ว่าอะไรก็ตามเซี่ยวนทีเดียวที่มันขยับตัวได้มันเคลื่อนไหวได้มีแสดงกิริยาการได้แสดงพุิธิในจิตได้แสดงการเกิดดับได้แสดงความไม่เที่ยงได้ สิ่นั้นล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดมีของเปเตียนมีของคุ้งแต่งก็ปล่อยวางทั้งหมดปล่อยวางบางทีปล่อยวางบางทีบางทีก็คือริดรอนริดลอนที่เป็นสังขารทั้งหมดแล้วมันจะไปเป็นที่เกิดตัวมันจะไปเรียนรู้ที่ไม่เป็นสังขารคือมันไม่ได้ปุงว่าเป็นว่าตัวเราเป็นคนรู้ปุงว่าจะไปรู้อะไรมันรู้อยู่ในรู้อย่างนั้นแหละแต่มันก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรแต่มันก็รู้ไปหมดรู้รอบไปหมดแล้วก็รู้ แล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้อยู่ในรู้นั่นเองแล้วมันก็รู้รอบไปหมดแต่ไม่รู้ว่าจะไปรู้อะไรไม่คิดว่าไม่ไม่จะไปรู้อะไรโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าจะไปรู้สังขารรู้อะไรเพราะมันริดนรอนสังขารหมดแล้วมันเลยเหลือแต่รู้อยู่ในรู้เพราะมันริดนรอนสังขารหมดแล้วเลยเหลือแต่อยู่ในรู้แล้วไม่คิดว่าไปปรุงอีกว่าเราเป็นคนรู้อะไรเพราะว่ามันถูกริดนรองไอ้ที่ปรุงว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้มันถูกริดนรอนไปหมดแล้วอันไหนที่มันปรุงมันปรุงริดนรอนไปหมดแล้วมันเหลือแต่สิ่งที่ไม่ปรุงคือรู้อันนั้นแหละเพราะเหลือรู้อัน โลกะชาทั้งภายในและนอกก็สงบสงัดแล้วก็ดีอะไรไม่ดีดีท่านสาระดีท่านเป็นท่านกระโดดตอนี้โลกระชาผมก็พิกกลับด้านของฟ้ากลับตลบกลับม้วนแผ่นดินเหมือนกับเซื้มีวนหมุนหมุนตลบต่อไปโลกะชาแต่ว่าการเดินทางก็ก็คือแบบนี้แต่ว่าสังเกตให้ละเอียดขึ้นอีกไอ้ที่ที่ยังมีเราไปคิดเอ้ยมันจงสังหารหรือไม่กัน แสดงว่าในในทุกการเรียนที่หนูตามอกกติจดจอมันคืออย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์จดจ่ ม, มันเหมือนถ้าเราปล่อยนิดเดียวเนี่ยกระดุเลยมันหรือแต่ปล่อยรู้ก็ไปหลงทันทีค่ะปล่อยปุบอ้าวมันหลงไปเลยพอมามจะจ ะ, จะมาสังเกตมันกิดมีการมีความพยายามแล้วก็ยึดถือตัวนั้นทันทีว่าว่าเป็นเราเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีทันใดอ้ แสดงว่ามันเหมือนสงสัยการกระติจอจอมันอาจจะน้อยเกินไปนะคะอยมันเลยเท้าไ ม, ไม่ไม่ต่อเนื่องค่ะแต่ในการปฏิบัติในชีวิตแม้แต่ในขณะที่ทำงานในเี่ตาบอกว่าเหมือนแม่คคเด้งน้อยก็ก็ทำไปด้วยแล้วก็ก็ก็ดูเคไรื่องไปด้วยว่า ภายนอกก็ทํางานไม่ผิดพลาดภายในก็รู้จิตเหมือนแม่โคเลี้ยงลูกน้อยอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่มีว่างเบนแต่อเท่าที่พิจงงารณาสงสัยจะว่างเบนว่างเบนไปหลายช่วงนะคะเหมือนช่วงไหนทําก็ทําแล้วมันพอทําทําอ่ะไม่ทําแล้วมันก็อาจจะเหมือนไม่ต่อเนื่องมากเกินไปแล้วพอสังเกตตัวเองว่าทําเมื่อไหร่ป่อยที่เราคิดว่าพอจะโอเคเนี่ย ไปปล่อยให้กิเลสเข้าเนี่ยโอ้ฉะนั้นหลงแบบยาวมา ก, กมาคะแล้ยิ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่เราเริ่มอยู่ดีความรู้สึกเริ่มแบบเอ่อเป็นพวกเป็นเหงาแบบว่าเออดั่าจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ดีก็เข้ามาทั้งๆ ท, ที่คิดว่าหายไปนานแล้วอยู่ดีเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างแรงถ้าเราไปปล่อย ที่มีเชื้อแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเอาพร้อมจะถาถงทันทีนะคะก็ยังเคยดีก็ฟังหนูตามก็อธิษฐานมาตลอดว่าให้ให้เหมือนกับจิตใจให้รู้ทำ mm hmm. เห็นทำอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อ mm hmm. องอนิภานก็ให้แพ้ฆ่าปไปกลายเป็จะแพ้ฆ่าก็เลยตับขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ เพราถ้าเป็นภาษาเป็นตัวอย่างหนึ่งคือเรืงแต่ไหนแต่ไรเนี่ยสมมติเราทําอะไรผิดนิดนึงเนี่ยแล้วมันจะชอติดใจนานเหมือนกับรู้สึกผิดนานอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเอาที่หนูตาบอกว่าให้ขอขอมาขอโทษจัดใจคือเหมือนไม่งั้นเราสังเกตตัวเองว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยมันคล้ายว่าเราจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราทรําจริงจังแล้วก็เกิดเป็นเป็ น, ปนความทุกข์ที่หมุนเวียนแบบ มาพิ้วรู้สึกิดมากเท่าไหร่ยิ่งพิ้วเหมือนเรียนพอทุกอย่างพอได้ขอทำมาทุกอย่างแบบแล้วจะตั้งใจจะไม่ทําผิดมันก็เหมือนใจก็มีีมกําลังขึ้นมามากขึ้นอืแล้วก็เหมือนช่วงทุกอย่างที่ผ่านมาก็ทําให้ให้เหมือนได้เห็นว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันไม่มีอ่ะจริงๆมันยังมี แต่ว่ามันไม่ได้เจอเหตุที่มันจะทำให้มันขึ้นมาเฉยๆแล้วพอมันขึ้นมาจาดท้ายพอมันผ่านไปมันก็เหมือนคล้ายๆผู้ใหญ่มากขึ้นกับกับสิ่งนันนะคะอกันเมนแได้เรียนรู้กับมันแล้วก็เออคล้ายๆว่าจะได้ไม่ประมาทอีกนะก็จะเป็นแบบนั้น เหงานงานที่สำับงานละเอียดขึ้นงานที่ละเอียดขึ้นต้องอยู่ในงานที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปขึ้นไปอย่าถอยกลับไปงานหยาบงานรู้อย่าละเอียดขึ้นไปขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเอียขึ้นไปจนกระทั่งละเอียดจนสุดหมดละเอียดจนหมดเลยตจนไม่มีอะไรไม่รู้ไม่เห็นอีกแล้ว ไม่ไม่ไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าอย่างของปุ๊กก็คือปฏิบัติตามทางนี้ใช้การพิจารณาในแบบนี้เพราะว่าเหมือนนย่าที่เราฟังหลงตาในหลายๆเคสก็มาดูตัวเองว่าอย่างที่หลวงตาบอกว่ามันมียังมีต่อมที่เป็นต่อมผู้รู้อยู่ตรงนั้นนะคะบางทีก็รือว่าเอ๊ะหรือการพิจารณาอสุภะที่มันที่หลวงตาบอกให้ระเบิด ทุกอย่างแต่ให้หมดที่มันไม่เหลือแม่แต่ปวผู้<ม>ุดีจะช่วยเราได้ไหมจะทําพอลองทํากันก็มันก็ไม่ไปนะคะเหมือนก็จะ <c oughs> มีอีต่อมนี้อยู่ดีเหมือนร่างกายไปแต่มันเตรียมมีอีอันนี้เนี่ยพวกก็เลยเออหรือว่าอัจฉริยจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปทางทางทางนี้ก็เลยเออใช้การพิจารณาสังขารว่าลงไปเป็นสังขารอาจจะน่าจะ หมานมากแค่ไที่เขามาตรงนี้มันต้อเดินตรงนี้นะเดินตรงนี้เป็นสังขารไม่เที่ยวไม่งั้นมันเหมือนมันพร้อมจะหลงอยู่ตลอดเวลาเนาะคะ่ะตลอดเวาแบบเขอความรู้เรื่องสังขารไม่ได้อขอความรู้เรื่องสังขารไม่จะเที่ยวทีเดียวหลงไปสังขาร ครั้งแรกที่พบหลวงตาแล้วตอนนั้นไม่เคยรู้เรื่องธาตรู้ตามธรรมชาติมาก่อนอมผมก็จะใชใ้การปฏิบัติแบบไปปรับไปแต่งไปเยี่ยมที่หลวงตาครั้งแรกที่หลวงตาบอกก็คือหลงเอาตัวเราไปไปเป็นผู้รู้ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้ ว, แ ล, วแล้วพอได้มาสึังเกตคือมีเราเนี่ยที่ไปปรับไปแต่งไปเปลี่ยนไปแปลงทุกอย่าง แต่ว่าพออะไรก็เป็นมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นถ้าเราไม่ถอนความลุกไม่ว่าจะทํากิจการงานใดในที่ปววระจำวันไม่ถอนความลุกภายในรู้ต่อสารสังขารได้ไปรู้ต่อสาสังขารรู้ต่อสารสังขารถ้ า, าไ ป, ไป็าาง น, aren, าา ง, นงั้นเนี่ยรู้ไม่ทันสังขารบางทำหรือจะนิแคร์ว่ารู้ไม่ทนมันขันบางทำเพราะสังขารก็คือขันนั่นแหละเอาขันไปแบบขันก็คือขันห้าปเป็นปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งบางทำ หรือว่ารู้ไม่ทันสังขารบางธรรมมันบางธรรมที่ไม่ปรุงแต่งรู้ไม่ทันอ่ะสังขารบางธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเพราะว่าสังขารน่ะมันเป็นธรรมที่ปรุงแต่งมันเปนบางธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนั้นหรือไม่ทันปุ๊บเราก็หลงว่าตัวเราไปเป็นสังขารหรือหลงบังขารเป็นตัวเราหรือหลงว่าตัวเราเปสังขารหรือหลงสังขารมาเป็นตัวเราปรุงแต่งเป็นตัวเราหรือปรุงแต่งตัวเราเป็นสังขารปรุงไว้มั่วอันนี้ต้องละเอียดมาก ละเอียไม่ไม่มีถอนความรู้ความเห็นความตัดใจตรงนี้เลย jur, แต่มันละเอียดจริงๆนะค่ะเราตามเงื่อนผู้คุยกับหลวงตาเนี่ยไอ้ข้างในเนี่ยมันก็มันก็อย่งมันก็มีถลัำถลำถลำถลำของมันอยู่นั่นแหละเราต้องสังเกตดูดูนั่งแบบอะไรก็ตามที่มั น, น, นมัน ม, ม, ม, มีอาการขึ้นมาไม่ใช่เราทั้งหมดมีอาการที่มันไม่ใช่เราทั้งหมดวังหมไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราเนีอาก า, ารอะไรขึ้นมาแม้แต่มีผู้รู้ขึ้นมาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็น้องรับไปปฏิบัติเองมันจะละเอียดขึ้นแเราถึงเห็นแล้วเห็นเงี้ยดีแล้วละละเอียดขึ้นมันจะละเอียดขึ้นจึงก็ผ่าๆอ่างเงี้ยหรือก็เป็นปันๆปันๆมันไม่ได้ปันๆหรือ ไม่ไดปั่นปาเป็นล่องลึกแต่เวลานปั่นปาเริ่ม <c palace> <c controlled> <uelle> ขี่ขึตื้นขึ้นปั่นปาเริ่มตีตีขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเราปฏิเสจออยู่แต่สังขารตรงเนี้นะคะเมื่อไรที่ขยับนิดเดียวรู้ว่าหลงเอาเราก็เป็นถ้าดหลงรู้แล้วว่าหลงก็หลงเป็นสัารแน่นอนใช่ใชแล้วระวังแล้วมันจะแม้ว่าจะเราจะเร่งสปีดยิ่งเร่งสปีดยิ่งไงคือว่ามันจะทําเพื่อตัวเราพอเราไปเร่งสปีด หรือว่าจะไปให้มันชัดเจนรื่องพระปีติอะมันกลายเป็นความโลภพอความโลภปุว่ามันอยากให้เป็นอยากให้ได้อยากให้เป็นอยากให้ให้แจง้งชัดอยากให้บรรลุตอนเนี้มันก็กลายเป็นเราไปทําเพื่อตัวเราไอ้ตัวนี้ระวังให้ดีมันจะกลับกับหลังเราหาได้ขาดตรงละเอียดมากเนี่ยถ้าเราไม่ทํามันนะเราเล่งเราจะเล่นยังไงก็ตามเราไปจี๊ดจี๊ดจี๊จดจีดไติดจุดจอบปรากฏว่า มันเพื mm ่อประโยชน์ตัวเราตาเพื tipos, oh, yeah. like. ่อประโยชน์ตัวเราเพื่อตัวตนของเราเราไม่ใช่ว่าได้แต่แค่รู้เห็นแค่จับจังหวะได้รู้เห็นทําความเข้าใจรู้เห็นทำความเข้าใจรู้ลาะไปวางไม่ได้ไปทาเพื่อให้ใครเพื่อความรู้ความเห็นความเข้าใจรู้ชี้แจ้งทับตามธรรมชาติว่าธรรมชาติเขาจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปรู้เห็นเพื่อใครแต่เพื่อว่าธรรมชาติจริงๆเขาเป็นอะไรก็คือหัวหัวใจ พอเนี่ยะะมันเหมน ม, นมันมันเหมือนทุกอย่างมันแบบมันมันเหมือนข้างในเนี่ยมันมีอันเงี้ยอยู่ตลอดที่เป็นแบบพร้อมจะถลําถลําถล่มถล่มแบบแต่มันไม่ไม่เกินสติปัญญาเพว่าพ่อแม่ราาครูอาจารย์ตรอดได้แล้วก็เวลาท่านมาสอนละเอียดละเอียดก่อนที่น้ำตาพูดเองท่านจะเอามาพูดได้แต่ว่าท่านเห็นละเอียดมาก เพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะเห็นาสา ม, มารถเห็นละเอียดม่ได้อย่างนั้นแสดงว่าไม่เกิความสามารถถ้าเกินความสามารถตีงนี้ลานต้อเยอ ะ, ะยะมากเลก่อพอรู้เห็นแล้วต้องพูดหรือทั้งหมดจะต้องทั้งรู้ทั้งเห็นทัทง้ทงสังเกตทั้ง วางทุกอย่างในเพียนด้วยเพี่ยนด้วยเพียนเพียนอย่างตอนนีไม่ขาดสายเพียนอย่างตอนไม่ขาดสายเพี่ยนรู้เพียนเห็นอยู่ภายในรู้สองขานละสองขานรู้สองขานละสองขานจนละสองขานได้หมดสิ้นไม่ใช่นะรู้ไม่ทันสองขานบางทำหมดบางทำที่ไม่ปรุงแต่งเพราะว่าสองขานเป็นปรุงแต่งบางทำที่ไม่ปรุงแต่ง ในในทุกครั้งที่รู้เห็นแม้ในนิดนหน่อยๆนยนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการสั่งสมความมันก็เป็นเป็นความเข้าใจของจิตที่เขาจะเข้าใจของเขาไปเองมันต้องพัฒนาจากนั่น <c oughs> จากาาาการรู้เห็นหยอย่างายาวมาการรู้เห็นอย่างลังอตาอย่างลเอียกเข้าไปอย่างละเอียดเข้าไปอย่างลเอียดเไปมันต้องจะมาตู่การรู้เห็นที่ละเอียดใจมันจะไม่มีการเดาคาดคงต่อมามันจะมีแต่ละเอียดมากขึ้นรละเอียดมากขึ้นเป็นความเพียรพยายามของเจตัวนี่ ไ ม, ไ, มไม่ยอมรอนรับด้วยสติปัญญาแล้วก็มีคนชี้ให้เพราะว่ามีคนชี้ให้ด้วยแล้วตัวเองก็พยายด้วยเรียนด้วยก็สังเกตตามที่ชี้ให้มันก็จะเร็วเพราไม่มีตับเองไม่มีคนชี้ก็ช้าไปไม่ถูกแล้วอีกอย่างมีคนชี้แต่ขี้เกียจก็ไปไม่ถูกมีสองอย่างมีคนชี้แล้วไม่เอาทิ้ไป ที่เกียร์ก็เหมันนห อ, อมนอก็แค่ใจอะไรไว้ในเรื่อทางเินแลวย่งนีถง้ถือว่าขยันแล้วก็ถือว่าขันรู้ใจมันรู้สึกค่อนข้ า, นางกระดา้างไงไว้ใน้วไม่เป น, นคนชี้ก็ไปไม่ได้อพราะว่าละเอียดทำนี่ม่ละเอียดเกินไปที่มมีครูบาอาจารย์ทุกคนคือถ้าครูไม่ได้หนูตาชี้ตรงนี้มันก็มันก็ เป็นแบเราติดสิ่งนี้มานานมากนะคะโ mm hmm. ดยที่เรารู้มาตลอดว่าเราก็เห็นรู้เห็นนี่แต่มันเหมือนมีตัวเราหล่อหลออยู่ตลอดไม่รู้ทำไมเลยเราก็ไม่รู้ใครจะให้คําตอบได้ว่าเราเป็นนุกเป็นเห็นแต่มันมีเราหล่อห ล, อ, ลอเนี่ยไอ้ตัวนี้ทํายังไง mm hmm. อืจนมาถึงวันนี้ก็กอพอฟังหลวงตาตลอดที่ที่ช่วยค่อยๆ ค, ค, คลายออกมาอื mm hmm. ได้จากหลายๆส่วนต้องเห็นไม่ตายไหมค่ะ เผ่นเมตตาเจ้าคำนิงงยมทั้งหมดแล้วก็แผ่นสี่แผนอธิษฐานใช่เพราะ ว, ว่ายิ่งมันไปตายไปหรือไปหลงพยายามทุกอย่างมันจวางทุกอย่างสีจางจะเข้ามาก็ทำตลอดเมื่อไหร่นึกได้ก็แผ่ไปแล้วก็ อ, อ, อ, อย่างถอนค่อยๆถอนก็ถอนได้ตลอดค่ะ มันหลายๆครั้งที่เริ่มฟังหลวงตารู้สึกว่าสิ่งที่หลวงตาสอนเนี่ยมันมันทําให้จิตมันค่อยๆอ่อนโยนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นความเมตตาความโสดความเกลียดความอะไรกับทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันมีผลต่อการบรรลุพระอริยภารมด์คุณบอกอะไรนะนั่เป็นตัวประกอบกันคือนั่นแหละบาลีติไปเนี่ยึุกข้อมันประกอบกันหมดทำให้อ่อนโยนก็หามาผลริพาน เรามีสิทิเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญมากแต่ตอนเรียนรู้เลยว่าโอ้โหแค่นิดหน่อยเนี่ยใจกระด้างขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยก็ได้ค่ะมีความโกรธที่ติดอยู่หน่อยก็ไม่ได้แล้วใช่กิเครืองใจแล้วนี่ก็ไม่ได้มันเลยทําให้เหมือนในยอมเมือนต้องยอมตีโลลาบกากครับเหมือนกากแผลเท้าันี่ยติดไม่ปีกก็ต้องกากแล้ว ไม่มีว่าเราเราเป็นคนถูกไปถูกมันมีถูกเสมหละเพราะว่าเอาประโยชน์เราต้องทานเกินแ้่เราจะผาจายอยู่ทำาเราทนทุกไม่ได้ยอมยอมไปตัเพราะว่าเดียกประโยชน์เปล่ามันเป็นประโยาชายยน์ขอเเเงเราไม่ได้ประโยชน์ขอเขาเราไปผาจายเราอยู่ต้องได้เราอ่ะไปอ้างว่าเราเรถูกก็าถูกไม่ได้เราไม่ได้ผิดไอันนี้ยเป็นที่ที่มันข้ามไปได้ข้ามที่ฐิดมันหนักไปแล้ เป็นที่จิตเมือนเราปรงสร้า ง, งาใช่ค่เหมือนอริยปตจจานันติดอยู่ในใจ ấy. ที่นี่ทั้งขลายหมดเลยลั้งรักทั้งกรรมแคนี่คือทั้งหมดปอาบเลยหมดกรรมหมดเร้ น, น, น, น, น, นแต่ที่เคยตั้เร่วมกันมาทากันมาประสบทั้งรักทั้งรทั้งดีดีาา บ, ญญบาปจบหมดสิน้น เค่นี้กรรมก็จบใี bon. ้เงนก็ประมาณนี้นะคะให้นก็เดี๋ยวคุได้ให้หราจ้างบครออบคคะลคุณได้ไม่ตมทางนี้ค่ะ